รับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ทำเป็นเครื่องเช็ดเท้าสมัยนั้นเครื่องเช็ดเท้าทรงกลมเกิดขึ้นแก่สงภิกษุทั้งหลาย